บุญที่นั่นทำทานที่นี่พระวันไหนดีจะไปกราบทำบุญแล้วไม่ยอมลาบาปเหมือนเอาพาขี่ริ้วไปยอมสีอ่านหนังสือก็ อ บ, บ, นนบอกกับคนนั้นบอกกับคนนี้นั่นก็ไม่ดีนี่ไม่ได้มีความรู้ซอนปั้นกันไปอย่าลืมซอนใจตัวเอง อย่าลืมซอนใจตัวเองด้วยแล้วกันมีความรู้ซ้อนปั้นกันไปอย่าลืมซอนใจตัวเองด้วยแล้วกัน